ที่ก็ามาต่อเรื่องอาจารย์อายุ60เศษสาคนที่เพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่เพราะอาตมาสงสัยว่าพวกเขาคงจะเพี้ยนแต่เพี้ยนพร้อมกันทั้งสามคนไม่น่าจะเป็นไปได้จึงวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบจึงรู้ที่มาที่ไปว่าสามคนนี้เขาเคยเป็นสามีภรรยากันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางในชาตินั้น อาจารย์ผู้ชายเป็นผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงสองคนเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นสามีอาจารย์ผู้ชายซึ่งชาตินั้นเป็นผู้หญิงมีลูกหลายคนเขาเลยอธิษฐานจิตว่าชาติหน้าขอเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ให้เป็นหมันเพราะเหน็ดเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกเละเกินแล้วขอให้สามีสองคนเป็นผู้หญิงสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่พระพุทธองค์ตรัสว่า กรรมมุณาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่ส3าข้อที่เจ็้เจดหน้าที่ห4 8้ออาตมาเคยได้ยินเพลงหนึ่งหญิงสองชายทีิสรวนีโพธิเทศร้องว่าหนึ่งหญิงสองชาย ไม่หมายไม่คิดจะเป็นไปได้คงเคราะห์และกรรมนำรักเป็นไปเจอผู้ชายคนใหม่ทั้งที่เก่าก็ยังรักท่านทำเสียงให้เหมือนสรวณนีโพธิเทศผู้ปฏิบัติธรรมพากันองมยิม้มอาตมาก็นึกว่าหนึ่งหญิงสองชายจะมีแต่สมัยนี้ ที่แท้ก็มีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนกลางนนทแล้วท่านพูดยิ้มยิ้มผู้ฟังพากันสงสยัยพระร้องเพลงจะผิดศีลไหมนะท่านพระครูรีบบอกพวกเขาว่าพระร้องเพลงจะผิดศีลหรือไม่ผิดมันขึ้นอยู่กับเจตนาอัตมาร้องเพื่อประกอบการบรรยายถือว่าเป็นการเรียนรู้ แต่ถ้าอยู่ดีๆอาตมาเกิดคลืมอกคลืมใจขึ้นมาก็เลยนั่งครวนเพลงแบบนี้ผิดศีลแน่นอนผู้ที่สงสัยพากันขจัดความสงสัยออกไปทันทีเพราะแค่สงสัยท่านยังรู้เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นพระที่เก่งอย่างพระอาจารย์องค์นี้แม่พินหรืออาจารย์ยุพินบำเรจิต รู้สึกแปลกใจที่พระอาจารย์เทศสอนผิดแผกแตกต่างไปจากแต่การก่อนนั่นคือเมื่ออ้างคำตรัสของพระพุทธเจ้าท่านจะบอกที่มาอย่างละเอียดเมื่อก่อนท่านไม่เป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าไปอินเดียมาไปดูสถานที่อันเป็นที่อุบัติของพระพุทธเจ้าไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปไม่กี่วันท่านเก่งกว่ามหาป ร, รียนเสอีก พระอาจารย์อ่านใจสิทธิ์รุ่นแรกออกจึงบอกว่าที่อาตมาต้องอ่างภาษาบาลีในการบรรยายพระอาตมาพบหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของอาตมาเมื่อตอนตีสองท่านบอกว่าต่อไปอนาคตจะมีพระแผลงแผลงเส่อเสืซนสนมาเปลี่ยนคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าให้ผิดไปจากความเป็นจริงจะทำสมมติสัจจะ ให้เป็นปรมัตถสัจจะและทำปรมัตถสัจจะให้เป็นสมุติสัจจะท่านรู้ว่านอกจากแม่พินแล้วผู้ที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่มีผู้ใดเข้าใจที่ท่านพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะพวกเขาปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นท่านจึงต้องอธิบายขยายความว่าสมุติสัจจะก็แปลว่าจริงโดยสมุติคือโดยความ ตกลงหมายรู้ร่วมกันของมนุษย์เช่นในขาวในแดงช้างมา้าแมวพ่อแม่เพื่อนเป็นต้นซึ่งเมื่อกล่าวตามภาวะที่เป็นเพียงสังขารหรือนามรูปหรือขันห้าเท่านั้นส่วนปรมาถั จ, จะแปลว่าจริงโดยปรมัติคือความจริงโดยความหมายสูงสุดเช่นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านรู้ว่ายังมีคนไม่เข้าใจอีกเกือบทั้งหมดจึงบอกพวกเขาให้มีกำลังใจและความเพียรในการปฏิบัติว่าไม่เป็นไรยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรปฏิบัติถึงขั้นเมื่อไรก็จะเข้าใจเมื่อนั้นเอาละพูดเรื่องอื่นมามากแล้ว ก็ขอกลับไปที่หลวงพ่อในป่าอาจารย์ของอาตมาที่ท่านบอกว่าจะมีผู้พยายามเปลี่ยนคำสงสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อในป่าก็เลยให้อาตมา่วยจันลงอายุพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปโดยการอ้างดำรัสของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธพจน์หรือพระพุทธว จ, จนะมาเป็นหลักฐานจะได้ตรวจสอบได้ว่า เป็นคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นคําสอนของพวกเดรัจฉีซึ่งเป็นพวกนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาถ้าเป็นอย่างหลังเราก็ไม่ต้องไปสู้รบตบมือด้วยเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นพุทธสาวกที่นี้จะเล่าเรื่องแม่ในอดีตของอาตมาที่ บอกไปเมื่อตะกี้ว่าเขามาปฏิบัติธรรมนทีนี้ด้วยแต่ยังไม่ต้องรู้ว่าคนไหนเพราะเดี๋ยวกรรมฐ า, านรั่วให้ตั้งใจปฏิบัติให้ได้เห็นหนอกันทุกคนและจะรู้เองว่าอ๋อคนที่นั่งติดกับตัวเรานี่เองแต่ถ้าไม่ได้จริงๆแมพพินก็จะเป็นคนบอกให้ท่านตั้งกติกาเพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นก่อนถึงเวลา เรื่องก็มีอยู่ว่าตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆตอนนั้นยังไม่ได้สนใจการปฏิบัติเท่าไรนักเพราะไม่คิดว่าจะบวชตลอดชีวิตคิดแต่จะศึกท่าเดียววันหนึ่งหลวงพ่อชอบซึ่งเป็นสมภารวัดพรหมบุรีใช้อาตมาให้ไปเช่าเมนลอยที่อยุธยาสมัยนั้นวัดพรหมบุรียังไม่มีเมนเผาศพ สมพานพันเช่าเรือให้ไปเจ้าของเรือก็บอกรู้จักร้านที่ให้เช่าเมนลอยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะพาไปส่งที่ร้านเลยเขาก็มารับตอนสายๆหลังจากที่อาตมาฉันเช้าแล้วจากนั้นก็ไปกันประมาณชั่วโมงเศษ เ, เขาก็ไปจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านหลังหนึ่งตรงกับเวลาฉันเพนพอดี เจ้าของบ้านก็กุลีกุจอมาต้อนรับนิมนต์อาตมาขึ้นไปบนบ้านพอขึ้นไปเขาก็จัดสำรับกับข้าวไว้แล้วอาตมาก็บอกไม่ใช่อาตมานะแล้วก็หันหลังกลับไปลงเรือแสดงว่าผิดบ้านคิดว่าเขาคงนิมนต์พระมาฉันทที่บ้านอาตมาก็มองหาคนขับเรือเพื่อจะบอกว่ามาส่งผิดบ้านแต่ปรากฏว่าคนขับเรือไปแล้ว เขาตะโกนบอกแวแววตอนส่งอาตมาทิฐิท่าน้ําว่าหลวงพี่บ้านนี้แหละที่ให้เช่าเมลลอยหลวงพี่ไปเจรจากับเขานะบ่ายสามโมงผมจะมารับจะไปเยี่ยมมอนอนหน่อยอาตมาก็ไม่ได้สนใจว่ามอนออะไรตอนขากลับเขาถึงได้เฉลยว่ามอนอนคือเมียน้อยท่านยกมือขวาป้องปากเมื่อพูดว่าเมียน้อย คนฟังพากันยิ้มยกเว้นสุภาพสตรีที่มาปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหาสามีมีเมียน้อยคงคิดแค้นสามีจนยิ้มไม่ออกเจ้าของบ้านก็มีแม่เขาแล้วก็มีลูกสาวที่บอกว่าเป็นแม่อตมาในอดีตชาติแล้วก็มีพี่ชายของเขาอีกสองคนพี่ชายคนโตเขาบอกท่านนิมนต์อย่าเพิ่งไปเราจัดไว้ถวายท่านนิมนต์นั่งครับ และผมก็เล่าถวายว่าเรื่องมันเป็นยังไงไมายังไงอาตมาก็ยังไม่ยอมนั่งคิดว่าเขาคงนิมนพระรูปอื่นไว้แต่ท่านไม่มาก็เลยโมเมให้อาตมาฉันแทนอาตมาก็ยืนเก่เก๋กงๆงอยู่เรือกอบไปเสียแล้วบอกสามโมงเย็นทังจะมารับอาตมาบอกเขาว่าจะมาเฉาเมลลอยจะเอาวาดใช้ให้มา ผีชายคนโตของคนที่บอกว่าอาตมาเป็นลูกชายเขาเมื่อชาติที่แล้วก็บอกว่าเขารู้จักอยู่ถัดบ้านเขาไปอีกหนึ่งท่าแล้วก่อนนิมนต์ให้อาตมานั่งชั้นเพลนก่อนจากนั้นเขาก็พาไปเช่าเมนลอยอาตมาก็นั่งแต่ไม่ยอมชั้นเขาก็เลยเล่าเรื่องที่น้องสาวเขาฝันเห็นลูกชายในอดีตชาติ ว่าเป็นแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถูกฆ่าศึกฟันตกน้ำตายเขาก็ร้องไห้หาลูกชายฟันอยู่บ่อยๆแล้วก็เล่าให้แม่แล้วก็พี่ชายสองคนฟังพี่ชายก็ว่าน้องสาวเพ้อเจอ้อแต่เขาก็ยังฟันอยู่ในที่สุดพี่ชายก็ลงความเห็นกันว่าน้องสาวเป็นบ้าท่านมองหน้าแม่เชิญสีนิดหนึ่ง แล้วจึงเล่าต่อต่อมาน้องสาวก็ฝันอีกแล้วก็เล่าให้แม่และพี่ชายฟังว่าลูกชายในอดีตชาติของเขาที่ถูกฆ่าสึกฟันตกน้ำตายในชาตินั้นบัดนี้กลับมาเกิดใหม่และบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดป่ามะม่วงวันที่เท่านี้เดือนนี้ปีนี้จะมาที่บ้านเวลานี้เพนพอดี ถ้ามีพระรูปร่างพร้อมสูงนั่งเรือมาขึ้นทิ่ทาน้ำหน้าบ้านนั่นแหละคือพระลูกชายของเขาเขาก็จดบันทึกไว้พี่ชายจึงบอกว่าน่าจะลองดูพอถึงวันก็เตรียมอาหารไว้ถ้าไม่มีพระมา ก, ก็แปลว่าน้องสาวบ้าอาตมาก็มาตรงวันและเวลาพอดีจะเป็นความบังเอิญหรือเป็นไปตามที่เข้าฝันตอนนั้นอาตมาก็ยังไม่รู้ พอพี่ชายของเขาเล่าเสร็จอาตมาก็มองหน้าเขายังไม่เชื่อได้เพราะเขาอายุน้อยกว่าจะมาเป็นแม่อัตมาได้อย่างไรเขาก็เล่าให้อัตมาฟังอัตมาคิดว่าจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก็รับฟังไว้ก่อนตกลงอาตมาก็ยอมฉันอาหารที่เขาเตรียมไว้ฉันเสร็จพี่ชายเขาก็พาไปที่บ้านที่ให้เจ่าเมลลอย ก็ไปตกลงกับเขาเป็นเที่ยวเรียบร้อยจากนั้นก็กลับมารอเรืออยู่ที่หน้าบ้านเขาโยมที่เป็นแม่ในอดีตชาติของอาตมาเขาก็เล่าว่าเขาชอบฝันถึงอดีตสมัยที่เขาเกิดในกรุงศรีอยุธยาตอนปลายบ้านเมืองเกิดศึกสงครามลูกชายของเขาคือพระพิพิธสุนทรรับราชการอยู่กับพระโอรสองค์หนึง่ง ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เกิดจากพระสนมมีพระนามว่าพระองค์เจ้าแกรหรือกรมมืเหมนเทพพิพิธเรื่องราวที่เขาเล่ามานีนอัตมาก็มาพิสูจน์ได้หลังจากที่ออกธุดงกับหลวงพ่อในป่าตอนอายุ45ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงมีพระมเหสีสองพระองค์คือพระพันวสาใหญ่ และพระพันวสาน้อยพระมเหสีสองพระองค์นี้ทรงเป็นทิดาของเจ้าพระยาบำเรอภูทรในรัชสมัยประเภทราชามีพระมารดาเป็นเชื้อสายตระกูลพราหม์ชาวเมืองเพชรบุรีพระพันวสาใหญ่ทรงมีพระราชธิดาหกพระองค์พระราชโอรสหนึ่งพระองค์คือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศหรือกรมขุนเสนาพิทักษ์ พระพันวสาน้อยทรงมีพระราชธิดาหพระองค์เช่นกันแต่ทรงมีพระราชะโอรสสองพระองค์คือเจ้าฟ้าเอกทั์หรือกรมขุนอนุรักษ์มนตรีและเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือกรมขุนพรพินิษส่วนพระโอรสที่เกิดจากพระสนมมีสีพระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าแขกหรือกรมมือนเทพพิพิธ พระองค์เจ้ามังคุตหรือกรมมเหมินจิตสุนทรพระองค์เจ้ารถหรือกรมมืหมนสุนทรเทพและพระองค์เจ้าปานหรือกรมเหมินเสพพักดีกรมมืหมนเทพพิพิธทรงโปรดปราณพระพิพิธสุนทรคืออาตมามากถึงกับทรงโปรดให้เป็นโอรสบุญธรรมของพระองค์พระพิพิธสุนทรเป็นแม่ทัพรุ่นเดียวกับ พระยาตากและพระยาเพชรบุรีบรรดาศักดิ์สมัยก่อนเรียงจากต่ำไปหาสูงคือขุนหลวงพระพระยาเจ้าพระยาและสมเด็จเจ้าพระยาพระพิพิธสุนทรอายุยืนยาวอยู่ถึงห้าแผ่นดินคือตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสมเด็จพระเจ้าเอกทัต สมเด็จพระเจ้าตากศิล์และสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประชวนหนักใกล้จะสวรรคตทรงมีรับสั่งให้เจ้าฟ้าอุทุมพรครองราชสมบัติสืบต่อจากพระองค์ปกติราชสมบัติจะตกแก่เจ้าฟ้าเอกทัตซึ่งเป็นพระเชษฐาแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงมีพระดารัสว่า เจ้าฟ้าเอกทัศน์นั้นโฉดเคล้าเบาปัญญาหากเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วต่อไปในเบื้องหน้าบ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติฉิบหายเสียเป็นอันว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรได้ครองราชสมบัติตามที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมีรับสั่งอย่างไรก็ตามสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงครองราชสมบัติได้เพียงสิบวันพระเชษฐาคือเจ้าฟ้าเอกทัศน์ก็ทรงสําแดงเดช โดยการเสด็จไปประทับณพระที่นั่งสุริยาาอมรินแสดงพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยไม่มีการเชื้อเชิญเป็นทางการสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรทรงอึดอัดขัดข้องพระราชหฤทยัยในการครองราชสมบัติจึงทูลถวายราชสมบัติแด่พระเชษฐาแล้วเสด็จออกผนวดนะวัดศีอายโยชิยาจากนั้น สเสด็จประทับจำพรรษาณวัดประดูทรงธรรมเกิดสงครามกับพม่าและอยุธยากำลังจะเสียเอกราชพระเจ้าเอกทั์ก็ส่งคนของพระองค์ให้มาทูนิมนต์ไปประทับจำพรรษาณวัดราชประดิษฐานเมื่อสมเด็จพระเจ้าเอกทั์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงมีพระราชดำรัสไว้ กรุงศรีอยุธยาที่เคยเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งกล่าวได้ว่าเจริญสูงสุดในสมัยอยุธยาทั้งนี้เพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเป็นพระธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสนับสนุนให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังเกาะลังกาแต่เมื่อพระเจ้าเอกทั์ครองราชสมบัต กรุงศรีอยุธยาและพระพุทธศาสนาก็ถูกพม่าทำลายอย่างย่อยยับวังและวัดถูกเผาพลานจนแทบจะสูญสิ้นจากแผ่นดินไทยพระยาตากซึ่งเป็นแม่ทัพในสมัยนั้นต้องรวบรวมพักพวกซึ่งมีจำนวนน้อยขุดอุโมงค์ลอดกำแพงเมืองไปตั้งหลักที่ธนบุรีและกลับมากู้ชาติได้สำเร็จภายในเจ็ดเดือน กระนั้นก็ไม่สามารถทำให้กรุงศรีอยุธยาฟื้นคืนชีพกลับมาได้จึงจำเป็นต้องทิ้งกรุงศรีอยุธยาและตั้งกรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวงแทนจากนั้นจึงกระทำพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงทนบุรีมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงครองราชสมบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,310 ถึง 2,325 รวม15ปีหลังจากทรงรับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าแล้วก็ทรงสละราชสมบัติให้พระสหายที่ช่วยกันกอบกู้ชาติมาคือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกครองราชสมบัติแทนทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งหลังจากทําพิธีปราบดาพิเศษแล้วก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากทนบุรีมาอยู่ฝั่งเหนือของแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งชื่อพระนครใหม่ว่ากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจั ก, กรีวงศ์ ความจริงเรื่องราวการเสียกรุงครั้งที่สองนั้นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างหลายประการเวลานั้นก็มีชาวต่างชาติเข้ามาเผยแร่าศาสนาแล้วและที่น่าประทับใจก็คือเขาเหล่านั้นได้มีส่วนในการช่วยพระยาตากู้ชาติมีทั้งชาวคริสต์ชาวมุสลิมทั้งที่พวกเขาก็ไม่ได้เกิดในแผ่นดินไทย ก็ยังมีใจกระตันยูรู้คุณแผ่นดินถิ่นอาศัยอุทิศกายและใจช่วยปกปักรักษาแต่ที่น่าเสียดายแล้วก็เสียใจจนสุดจะกราวก็คือมีคนไทยใจอำมหิตที่คิดร้ายต่อแผ่นดินถิ่นเกิดของตนไปเข้าข้างพมา่าข่าฟันคนไทยดดวยกันเพราะความลุ่มหลงมัวเมาบวกกับความโง่เคลาเบาปัญญา เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างร้ายกาจมิได้เห็นแก่ชาติและแผ่นดินถิ่นเกิดแต่ยังได้ที่พูดอย่างนี้เพราะอาตมาเจอมากับตัวเองไม่เช่นนั้นก็จะพูดไม่ได้ด้วยเหตุนี้อาตมาจึงไม่เคยคิดรังเกียจเดียดชันญาติโยมที่นับถือศาสนาอื่นเลยทั้งยังยินดีต้อนรับเข้ามาเรียนวิชาแก้ปัญหาชีวิตโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่ประการใด เพราะอาตมากระตัญโยรู้คุณบรรพบุรุษของท่านจึงต้องการตอบแทนท่านพูดพลางกราดสายตาไปยังชาวคริสต์ชาวมุสลิมและชาวฮินดูที่พากันมาเรียนวิชาแก้ปัญหาชีวิตส่วนชาวซิกนั้นแม้บรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้ช่วยกู้ชาติเพราะสมัยนั้นาศนาสนาซิกยังไม่มีแต่ปัจจุบัน ชาวซิกในประเทศไทยก็ได้ช่วยอุปถรัรมภ์คำจุนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งโดยตรงและทางอ้อมที่แม่ในอดีตชาติของอาตมาฝันเห็นอาตมาถูกฆ่าศึกฟันตกน้ำนั้นเป็นความลับสุดยอดที่อาตมาก็เพิ่งมารู้ในชาตินี้หลังจากที่บวชและปฏิบัติธรรมจนได้เห็นหนอแล้ว พระอาจารย์บรรยายมาถึงตรงนี้บรรดาสิทธิกรรมฐานซึ่งประกอบด้วยนานาศาสนิกต่างตั้งอกตั้งใจฟังรู้สึกตื่นเต้นยินดีอิ่มอกอิ่มใจจนลืมกำหนดฟังหนอดังที่พระอาจารย์สอนไว้ก่อนที่จะเปิดเผยความลับสุดยอดอาตมาขอเล่าภูมิหลังของเหตุการณ์ทางการเมืองสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทั์สักเล็กน้อย คือเมื่อพระองค์ได้เป็นกษัตริย์แล้วก็ทรงดําริที่จะกําจัดพระเชษฐาและพระอนุชาที่เกิดจากพระสนมซึ่งมีสีพระองค์ดังที่อาตมาเอ่ยพระนามมาแล้วสเสด็จพ่อบุญธรรมของอาตมาคือกรมมะเหมินเทพพิพิธ ส, ส่วนอีกสามพระองค์นั้นเรีย ก, ก ร, รวมๆว่าเจ้าสามกลมได้แก่กรมมะเหมินจิตสุนทรกรมมะเหมินสุนทรเทพ และกรมมือิเศรษพักดีเจ้าสามกรมถูกประหารด้วยท่อนจานส่วนกรมมือนเทพพิพิธซึ่งเป็นพระเชษฐาองค์ใหญ่และก็เป็นฝ่ายสนับสนุนพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จลี้ภยัยไปผนวชที่วัดกระโจมสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงทรงให้ส่งพระภิกษุกรมมเอนเทพพิพิธซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาออกไปยังเกาะลังกาทวีป พูดง่ายงายว่ากรมมื่นเทพพิพิธเสด็จพ่อบุญธรรมของอาตมาถูกเนระเทศไปอยู่ที่เกาะลังกาเพราะสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงระแวงว่าพระเชษฐาต่างพระมารดาจะช่วงชิงราชสมบัติแต่ถ้าพระองค์ไม่พนวดก็จะถูกสมเด็จพระเจ้าเอกทัตให้ประหารด้วยท่อนจันเช่นเดียวกันกับเจ้าสามกลมภายหลังมาเกิดศึกสงคราม สมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็ยังทรงหมกมุ่นอยู่กับสุราและนารีไม่สนพระทัยที่จะหาทางปกป้องบ้านเมืองอีกประการหนึง่งพระองค์ทรงเชื่อพวกประจบซอพลอได้กำจัดทหารดีมีฝีมือไปหลายต่อหลายคนมีข้าราชการที่รักชาติแอบส่งข่าวไปทูลพระภิกษุกรมมือหมนเทพพิพิธ พ, พระองค์จึงทรงสเสด็จกลับมายัางลับับเพราะทรงห่วงใยในพระอนุชาทั้งสอง คือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรที่ยังทรงผนวดอยู่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งไม่ทรงสันทั์เรื่องศึกสงครามและที่ทรงห่วงใยไม่น้อยไปกว่าพระอนุชาทั้งสองก็คือองค์หญิงจันกระจ่างฟ้าพระธิดาของพระองค์ที่ทรงกําพระประมานดาตั้งแต่ยังทรงพระยาว องหญิงจันกระจ่างฟ้าทรงมีพระสิริโฉมโสภากว่าสตรีชาววางทั้งปวงจนพระพี่เลี้ยงพากันเป็นห่วงต้องช่วยกันแอบซ่อนไว้ในพระตำหนักด้วยเกรงว่าถ้าสมเด็จเจ้าฟ้าเอกทัตทรงเห็นก็จกนำไปเป็นนางนายโดยไม่ทรงคิดว่าเป็นพระธิดาของพระเชษฐาและก็เป็นหลานอาของพระองค์เพราะทรงมัวเมาหลงหลในอิสตรียิ่งนะัก อาตมาหรือพระพิพิธสุนทรในชาตินั้นเมื่อทราบว่าสเสด็จพ่อบุญธรรมสเสด็จลับลับกลับมาจากกลังกาก็ดีใจแต่จะไปพบอย่างเปิดเผยก็ทำไม่ได้เพราะถ้ารู้ไปถึงพระเนตรพระการของสมเด็จพระเจ้าเอกทั์ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของสมเด็จพ่อบุญธรรมพอดีกับในช่วงนั้นอาตมาออกรบกับพมา่าแล้วก็ถูกฟันตกน้า ตามที่แม่ในอดีตชาติของอาตมาฝันเห็นในชาตินั้นอาตมา ก, กคิดว่าคนฟันคือพมา่าซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับไทยแต่พ่อมาเกิดใหม่ในชาตินี้และก็มีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนามีโอกาสปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานจนสามารถระลึกชาติได้อาตมาถึงได้รู้ว่า ข้าศึกที่ฟันอาตมาตกน้ำนั้นไม่ใช่พม่าแต่เป็นคนไทยที่ทรยศชาติท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยมีลูกให้สอนลูกมีหลานให้สอนหลานว่าอย่าได้คิดคดทรยศต่อชาติและแผ่นดินถิ่นเกิดอย่ามักใหญ่ไฟสูงให้เกินสักว์อย่าหลงรักพักดีชาติอื่นยิ่งกว่าชาติของตนจะไม่พ้นอบายจะเอาตัวไม่รอด เพราะกรรมจะตามติดไปตลอดกาลนานการให้ผลของกรรมนั้นถ้ากรรมดีที่เคยทำไว้ยังให้ผลอยู่กรรมชั่วก็จะรอโอกาสกรรมดีให้ผลหมดเมื่อไรกรรมชั่วก็มาให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วด้ดีมีถมไปถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเสียอกเสียใจต่อภายหลัง เชื่ออาตมาเถอะอาตมารับกรรมมาหนักหนาสาหัสเลือกเกินจะต้องใช้หนี้กรรมที่ทำไว้ให้หมดใช้หมดเมื่อไรก็จะเป็นอิสระเมื่อนั้นน่าสงสารคนไทยที่ไปเข้าข้างศัตรูฟันอาตมาตกน้ำแล้วแม่ในอดีตของอาตมาเข้าฝันเห็นแล้วก็จำติดตามาจนถึงชาตินี้แต่โปรดทราบไว้นัที่นี้ว่า อาตมาไม่ได้ตายทั้งที่จะต้องตายอย่างเลี่ยเกลี่ยไม่ได้อะไรทำให้อาตมาไม่ตายรู้ไหมท่านถามคนฟังครั้นไม่มีผู้ใดตอบท่านจึงตอบซิเองว่าความกตัญญูกตเวทียังไงล่ะกะตัญญูกตเวทีคืออะไรใครรู้ช่วยตอบด้วยไม่มีผู้ใดตอบอีกตามเคยท่านจึงต้องตอบเอง กตัญญูกตเเวทีแยกเป็นสองคำคือกตัญญูกับกตเเวทีกตัญญูหมายถึงรู้คุณท่านกตเเวทีหมายถึงตอบแทนหรือสนองคุณท่านกตัญญูกตเเวทีจึงหมายถึงผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและก็ตอบแทนอัตมากตัญญูกตเเวทีต่อเสด็จพ่อบุญธรรมกตัญญูกตตเวทีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์อนุภาพแห่งความกะตันโยกตะเวทีทำให้อัตมารอดชีวิตมาได้ตอนอัตมาถูกฆ่าศึกฟันตกน้ำอัตมานึกถึงเสด็จพ่อบุญธรรมจึงรวมจิตที่กำลังจะดับนั้นให้มีพลังต่อสู้กับความเจ็บปวดตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอโอกาสเท้าเวสวร์ขอเท้าเวสวร์จงให้โอกาสแก่ข้าพเจ้า ได้ตอบแทนบุญคุณของผู้มีอุปการะต่อข้าพเจ้าเสียก่อนข้าพเจ้าขอตายหลังจากได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเมื่อสิ้นคำอธิษฐานอัตมารู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นมาอย่างประหลาดประกอบกับเสด็จพ่อบุญธรรมทรงสอนเวทมนต์คาถาให้หลายอย่างหลายประการอัตมาก็ดำน้ำหนีคาสึกได้ พอขึ้นบกก็คิดว่าเราตายแล้วหมดหน้าที่การเป็นแม่ทัพภายใต้บังคับบัญชาของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแล้วชีวิตที่เหลือเราจะอุทิศให้ผู้มีพระคุณคือเสด็จพ่อบุญธรรมอาตมาไปพบพระองค์ท่านเล่าเรื่องราวถวายพระองค์ทรงดีพระทยัยและมีรับสั่งว่าต่อให้ขุนพลเก่งกล้าสามารถปานใด แต่ถ้าอยู่ใต้การบัญชาของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็ไม่อาจรักษากรุงศรีอยุธยาไว้ได้สิ่งที่บวกเราจะทำได้คือไปหาที่หลบซ่อนด้วยพระดำรัดนี้พระนครลับตาและองค์หญิงจันร์กระจ่างฟ้าจึงเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเล่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าถ้าท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่อาตมาจะเล่าให้ฟัง อย่าพากันกลับบ้านเก่าเส ก, ก่อนก็แล้วกันกินข้าวกับหายใจเข้าไว้นะท่านพูดยิ้มยิ้มพรางกว่าสายตาไปยังผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อสำรวจตรวจสมโนโประชากรในอีกยีสิบปีข้างหน้าเห็นหนอกระซิบข้างหูว่าเหลืออยู่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเป็นเท พ, พบุตรเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึง